พระดินพระซื่นพระกลัวอยากคงจักไปทัวพระเงินพระคั่มสร้างพระใบไม้พระราได้เที่ยงสองกับบอกรับนับหอดพระสี่ขังเป็นถึงทังทั้งเนียงจิตเมื่อมีพระลาสองกับบอกขาดตามพระบาทพรนเทศนาบรมุสาดังคว่มภูเขาวอกสร้างพระเจ้าเรีวด้วยพระทรายพระราหลายกับหอดเครืงเศร้าหา ตามพันวาสางพระไม่กันในพละกับสามชิาสิวาปนาสางพระซ่องท้องแดงพละาแห้งหาซิบว่นบาวาเลียนโพด้สางพระหินพระผู้บินเทศนาสอนไหวพระาได้เครื่องทาซิบกับผาท่องค่ำเจ็ดิบกับพรท่องค่าพท้องแดงหาซิบหิน4ี่ิบา สิทิ์หากลับกลับหนึ่งกลับนึงดนไปแล้วท่านกัปนี้มีพระพุทธเจ้าหาพระองค์เน่ยนับจากกัปู่ั้งทัมากกูน่าคมโน่วงไปแล้วรัชโปร้โค้ลงไปแล้วโพ้ตะโมกําลังอนี่อริยเมิเตโยย่างสีมาเอียงเมตสัสนาพริยเมิเตโยค่นเองจ้างค่จิเป็นกลับหนึ่งนี่แหละกลับหนึ่งกลับหนึ่งอันนี้นับปีในมนุษย์โลกเข้าสี่จักรล้านนะว่าท่านถ้าว่าอันนี้สองท่านกัปท่านนี้กลับเนี่ยหมายวั้วมันอยู่ในสวงสวรรค์ เท่าไม่ได้โลกมาไงเลยสวรรคสวรรค์ไม่ได้โลกมาไงไม่ได้โลกมาสั่งมนุษย์นี้เทาว่ปรารถนากับนกักการเท่าปรารถนาคนทุกข์มันก็แหงไหวเลยแห้ ง, หงนคนทุกข์ไว้ไหวแล้วว่าปรารถนาเป็นพระละหันคนทุกข์นในวัฏสงสารนั่งปานี้มาปรารถนาดอกนั่งปานี่ปรารถนาคนทุกข์ซึ่งเดียวค <c oughs> อยคนทุกข์นในวัาสงสารนั่นเรียกแมนะ่น่ะ นั่นเมี่เนี่ยก็ปราธนาคือนกับลูกกันละเน้ะ mm hmm. องคเท้าวุธเพล น, น, นบอกง่ายทิได้มันหล่อเท้าวุธมาบวดได้ได้นั่งเเก่งเลยหัวกินเหลาหัวกินเหลาอาจารย์พิรุ่นีนอาจารย์ทั้งหัวทั้งเมียะนาะเมียอะไรเปรญญตี่ะนากดี ผัวปัญญาไม่ได้เลืนกไปเรียดอีกขัน้นเองในปริญญาตีคือกันตัวมันได้หรือเ่ได้หรือเ่อืมได้แล้วอันนี้อะอาณาพนทุกนีวัตาาสงสารเนี่ยผัวมียพวกนี้โม่ไปอยากมาเกิดแก่เก็บตายอีกบารมีแก่ก้าวแล้วผัวมวยสามบารมีแก่ก้าวแล้ว เมื่อในันามนุษมบัติสวรรค์มบัตรพบสมบัติภพนี้ยรัฒนาพนทุกในวัฏสงสารในปัจจุบันชาติลอ่อโคมาบวกน้ำรบปูปีหนึ่งได้กเกี่เมี่ยนเทียไปวัดไปว่าหัวกบ ไ, ไม่ดักามเลยเพราะมันหยาบมันมอเป็นแรงเป็นง่าย ยู่มากยู่มาลง ล, งลง่เอ่ยกันฮะมันสูทั้งดีบางอไรอันนี้หัว ก, กะไรกักหัวกะไรเป็นนักปาดคือกันฮะสุขอนจะไป น, นักปราดได้วัว ก, กะไรว่าบวชจำลองลปูนี่มันสาหนึ่งสามเดือนในประเทศอมรอัาเท่าสิสิกนี่เท่าสิทีย์ผมไวว่าสัน่นมันบ่งมัด้สั่นลาว่า ห่อคนพ่อนาพาพ่อผืนนะสั้นผืนกับบนปฏิบัติเคียงขัดนั้นห่อเกี่ยมผมเงยวๆไว้แล้วหอเลสิสิกว่าสันปิรับกถินตะก้อนะั้นกระินกับพ่อกระเทือนสิรับแล้วห่อสิสกไปก็บางามนะสั้นห่อก็ตองรับกรถินตะก้อนั้นเพราะนี้แขกคนทั้งหลายมากซุ่มหัวดาก็มีซุ่มหัวขาวกรมี่ซุ่มหัวโกลมก็มี่ทีมารับกระถินกับพิเศษเหตุที่เขาวิจาร์ที่ว่าสันมันขี้ป่งอยู่ตัวคนเั้ง่าตายไว้สัน บวชชี้ไม่ม่เนี่ยว่าใส่หมวกไปโรงเรียนเขาก่านี่แหละค้นออกบวชแล้วแต่มันแหง้งสิมีเกียรติกว่าอันห้องจะไปโกนห้องไปจงผมว่านี้ตัวตอนแรเทมีมูงูก็เลยฟังค ว, งว่ำก้แต่กนนั้นสิกินข้าวสิกินข้าวขอไปในตลาดตลาดพ้นท้อง ล, ล่างใส่ไปล่างไสขึ้นไปยังไปกินเหลาตะกอนไปกินเหลาตะกอนจันขึ้นมากินเขานะเมียซือมอนี่บอ บอกฟังผนังบอกว่าบอให้ตัวจะไปเฮ็ดได้ว่าสันตัวคนพบปากก็ท่องสันเนี่ยตัวม่เงินเดือนนะตัวไม่เงินเดือนลูกสองสามคนมันเรื่องง่ายยอกตัวจะไปเฮ็ดน้องปูน้องปาตัวจะไปเรื่องเป็ดเรื่องไก่สันเรื่องเป็ดเรื่องไก่นันมือแดมันหาอาหารมาเลยตัวกะำกับข้อไกลไปปาดสันตัวไตัวก็จิไปเอาไข่ในห้างมันไปกินน้องปูน้องป่าตัวเเลี้ยงมาก ตัวสมุดปูดปูดยูหันเราสัน้นมุดอยู่ในน้องป่าเน่ะมันบ้าปสันยับปเป่ยงาสร้างถอันผิดพูดถ้มามากาาสันก็เลยเห็ดก็เลย ฟ, ฟังอยู่ตัวฟังอยู่ตัวหันในประคุดตัวเดียวหันในประคุดได้นี่นี่รับคุณโยมมาลู้นี่ถือกรนดีนถือ ก, กัะย่างลูกถือกระย่างลบกยางค้อนยางจากัก พอเ่าเทิงกันคุณอรุณีพูดมาสกกัางวันทางมาสกกัางถือกันดิมาคัดข้ขขอกันรบกว น, นมันอึ้นในกาบจะลงมาอะไรดมนี่คำขอประนอเป็นดาวไ้ฟ้าว่าเป็นจิตํังมูลิติกอันปันใจ ฮะเนี่ยเพิ่มมายอด้ี่หฮะเน่ยเพิ่มมายอดมันจะขอเพิ่นว่าออกขึ้นมากเราก็อยู่จังหวัดนี้เอาไปฝากไปจังหวัดอื่นมันก็ทบกัดเทือนเขาในจังหวัดนี้เพิ่นมองสิแต่ทบกัดเทือนเขาในจังหวัดนี้เพิ่นว่าสิก็ไม่ควรเอาไปที่จังหวัดอื่นเพิ่นว่าเนี่ยนล้วมูลค่า น, นี่ถ้าเราเอาไปฝากมันเป็นมูลนิธิสําหรับรักษาผู้ป่วยผ้า ป, ป่วย ธรรมดามูลในที่ก็ถึงปีเขาจึงจะจ่า ย, ายเขาจึงจะจ่า ย, ายดอกเบีย้ยแต่ต้นทุนมันถอนไม่ได้คนวางสิทีนี้ถ้าพระตายก่อนดอกเบีย้ยเน่ะจะเอาอะไรมามารักษาเนี่ยคนวางสินมันจะได้กินดอกเบีย้ยหรือไม่ได้กินก็ตามเอาไว้สําหรับพระแก่ป่วยคนวางสเจะของคนอืมแล้วไม่ได้หมายว่าจะเอามูลในที่เงินจึงเงนนี้่ มันก็เม็นของเพื่นล่ะมันได้เอาขึ้นมาได้บางนี่ยฮะเนี่ยโดยทางน้บาบเพียบุญเดี๋ยวเงินของค่อนเพ่อนเอานกระเป๋าของเนไปเพ่นเอาเพ่อนเอาเงินในกระเป๋าของเพ่นไปฝากข้างให้ตัวเพื่อนไปรักงาของเพ่นให้ต่ลักงายของเพื่นผมบอกเพื่นเอนสขาวขึ้นมาหตัวแมนว่นไอืมกาโตทำไปทิ้งาดทิ้เมืองหรือแบงเงินอย่ในวัดในว่านี่ออกอันนี้เอาไปเป็นมูนิทิอันนี้เอาเฮ็ดอันนั้นอันนี้เ็ เผลมันกับพ่ออันนี้อันนี้ยังเงินของเพลินไปย่าของเพลินห้างเาโอกาสเพลนมันก็บถือเข้า่าเงื่อนวัฒนมถึงเงินซื้อห้องก็คือกัรทันไรถึงสิ้นใซื้อห้องก็ตามมันกับพรถือมันก็บพิษมันนีอันนี้สั่มานาบ้านพักเพลนอยู่นี่ก็มีสั่งทางเพื่อเทียบไปเทียบมาลําเี่ยของเพนอยู่บ้านพักเพลนอยู่มุมสี่ก็มีถพาะว่าบ้านพักเพนมันอยู่นี่มีมันก็บมนอยู่ท่านี่มา เราอยู่ในประเทศไทยทําไมจึงเอาเองินไปฝากประเทศนอกคว่ารวมเราอยู่ประเทศไทยก็ต้องฝากประเทศไทยสิควรว่าสิประเทศนอกไม่เข้ามาไหนเราอยู่มุกดาหารเนี่ยไปฝากผลเมื่อกาบถือกั น, นถ้ามันวีปันนิยังนี่ซื้อกันนี่มุกดาหาเนี่ยไปเรือยไปซื้ออาหารกัไปเรือยอยู่แล้วคนเพิ่มอยู่ทงังพี่ก็มีหลายคนเัง่ยมูนี่มอนีอม่มันกับแม่ก็เพิ่นได้เพิ่มเพิ่มใช้เาอาขึ้นมาหกเลยมันต้องสิได้เอาขึ้นม า, ากต่ว่าส้อนไมน้ แล้วก็ว่าเป็นปัญหาหรอกแล้วก็ไม่ได้ว่าหรอกสมัยแล้วก็ไม่ได้ยืนยันหรอกเงื่อนควเขาจะพิดต์อยู่นําพอแคร์รเบิร์สนี่ของสันว่าเลาวจงจักอย่างเราวจงจักจงจว่าเงินนไี่ยังตัวยังเราม่ได้มาสอมาใส่ถามเนี่ยเงื่อนวัดมีไดไมมีจักราลเงื่อนขาคัวขาเทคนมีจักบาลแล้วก็ไ่ได้มาสอบมาใส่เสือแล้วก็มาตาอย่างของเราสมัยเนี่ยในปตที่แล้ววาอะไรควหูอยู่อแครเพิสต์ ถ้าไม่ตั้งเป็นมูลนิธิครับขั้นตอนมันยุ่ยงยากเลยมันกับยุ่งยากอ่ะเนี้ยเอาโย้ๆเอายากว่าเขาเข่งมาปีงมาเขาก้นสร้างวัฒนธรเอามูลนิธิเอานี่กรรมการน่ะกลัวเฮาจะไปหาข่าหลวงกลัวเฮาจะไปหาหนายอำเภอกลัวเฮาจะไปหาคณะอำเภอเฮาจะไปเบิกเท่เะเท่าเช่าดอกมันนี่ มาแจ้กว่าไปอยู่บ่อยู่บ่ยนักกลัวสิมาหุ่นไหวฮากันทั้งส่นเนี๋ยนักขีดกะไฟใส่อะไหม่ชดชดเสนอเข้าเอาบ่บางอย่างเล้เข่าหุ่นไหวนายผมมาเคนผมก็เลยปาดปล่อยามแค้ว่าท่านเป็นตั้งเป็นทุนทุนทุนนิธิดีกว่าทุนเม่ทุนมันกลับเป็นของวดีตซ้ำก็เดี๋ยวเอากินที่แกให้งเขาว่าเฮสิมาเอาไปใส ไม่ยากเพ ร, ราะมันอาจารย์ชลาเตังเนผู้รุมที่แรกคุสิตั้งเป็นผู้ริ่นมีตีผมก็เลยขัดการยูร่เขยอมถ้าตามมั้งผู้นดติผมหืองอ า, า น, น อ, อ, อันนี้ผมเคยได้รับมาแล้วทามาแล้วเงินเขาฝากมาเฉ พ, พาะพระป่วยใคไม่เป็นพระป่วยของเขาสารจไปไปมุน้องเขาไปแนอื่นมันมาถือได้หรืว่ า, ามแม่นว่าศาสนาอขาจะให้เท่ากัตั้งไม่หรอบ่ขเท่านี้เงินของเขาตรงไหนเขาเขามีสัทธาซ้านั้น เขาบอกว่าถ้าหมดแล้วจะเอามาให้อีกในเรื่องรักษาพระเขาวางสิคอยคอยเอาคอยเอามูลนิธิพระจะมานี่บางทีพระตายกอดก็ได้มูลจะได้ดอกเบี้ยที่ไหนมาให้เขาวางสิมันก็แมงคลืมเล่าตีข้าหนอฮึเวลานี้นั่นเวลาหนี้นั่นมูลนิธิยังบอท่านมีดอกเบี้ยว่าสันพระยาเก็บยาป่วยไฟประคำใดไว้สันพระยาเก็บยาป่วยมาก่ะ ใครสิใรจะไปรักษาพระวสันตเพื่อนว่าสันท่นไหพ่อาา ย, ยมือห่อยเว้นไม่พูเอาเงินออกมาสาหรับพระป่วยไม่บอกว่าสันนอกจากเล่ า, พ า, าเพื่อนว่าสันขนมเล่ามาให้ไดส่อนของเล่านี้ให้ยังเพิ่นว่าสีเราเดียวเนี่ยมันฆ่าเพื่อนได้หรืบ้านเนี้ยไม่งั้นว่าหรนี่เพือาา่อนว่าันม่อนี่สำหรับเงินพระป่วยไม่ใช่เงินที่จะประมูลทางอื่นออกกาไรทางอื่นว่า จะได้กี่บาทก็ตามจะไม่ได้ก็ตามพอฝากวันนี้พระจะตายหมดวัดก็จะเอามากินมาทานหมดในวันนี้แกวางเสียฮะเนี่ไม่ค่อยเอาดอกเบี้ยว่าสัตวเพิ่์นโฮของสัตว <c oughs> มันคือค้าเพิรนทันทีเหรอะเนี่ยพอทางไปทำเป็นบุริสิแล้วโอ้โหผมเดีบริหารเคยทำมาแล้วอยู่วัดอรัญนั่นก็ายอีกเคือว่าเงนินหนีมันตรงนี้ ตังเต่จานอนสม้ดึงดั่วตังสองหลังลงปูนมาสองสองอ๋อสอแสนแสนเดียวแสนเดียวเป็นต้นไปหรอเดี๋ยวนี้ตกสองแสนอ๋อฮะเนี่้าสีย้อม้าฮ้อนเนเงินขันม่นี่มันใส่าได้ยุกรุงเทพหมแห้งหลายมันใส่มได้มันมีประโยชน์ย่่งสันยุคกรุงเทพแห้งหลายตัวเงินเขาหาให้ข้าวใส่ทางไรสันใให้ใสแต่เงินดอกให้ใส่แต่เงินดอกเพาะสนน่ะต้นเขาว่ให้ใส่เขาว่าให้ใส่ฮะเนี่ ห้ามันว่ดหามันวัดเนยถึงเงินดอกกันนี้แหละห้านี่ยห้ามันถึงเงินดอกอนะพอเก็บผ้าป่วยผ้าตาก้อนเนี่ใส่มาห้าเนีนน่นั่นแล้วตาสาลเขาคงไว้อยู่แล้วข้ า, างห น, าน้าในวุฒิธีสันติบาเขามีตาสาล บ, บ่ันอยูอื่อของกระทรวงมหาเขาคิบอกว่าถ้าหากว่าการจัดตั้งวูฒิีนี้จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกเจทุกทุก ทั้งพระด้วทังลวงด้วยมารื่องกพวกนี้ก็ได้รวมีก็ได้บ่ต่อค้ามบัญชีรับจ่ายแย่งน้อยตัวตาตัวหาีแล้วก็มีผู้ตรวจบัญชีห่อหไอยยินเทื่อนหนึ่งันเลยห่อห้อยยิ่งเถื่อนเงินเอาเงินพระกระฟาข้างาเงินพระกระฟาข้างออกกรรมการเกียรติแปลคนนะกรรมการเกียตแปลคนน่ะ เลปเบิกเงินมาพระก็บ้องจ้าขอสั่งก็เลยส่งลูกไปเลียงประเทศนอกขอสั่งไปเรี้ยงเไม่ได้การเงิ่อนทุบเลยวัดออนซ้อนหรือสั่งพระแล้วเน่ยมไม่ั่หลายคนจะได้แหงเพนหลายก็สั่แต่เลยอ่านมตที่สันดีปาต์เขาก็เลยออกระมีหมดมาแต่ถ้าหากว่ามีกรรมการหรื เนคนแล้วก็มีปัรรพและกัมีเนี ย, นยอธถ้าว่าถ้าวามักจะพัดได้มุ่นนิธิมุ่นนิธิพระพุทธเจ้าปันให้แล้วสันมุ่นนิธิไม่ยั้งบาดทับบีแค่เนี่ไปหามากินไว้สั น, นาวังสิเ <c oughs> พราะเราอกสันว่าถ้าเอกคัดข้อมูเรือยอยู่นี่แล้วมผมจว่ามุ่นนิธิเปิมื่นนี่สันปัดจที่คิว่ามีแค่บาดเจ้หน้าสนะเพศัต์ มันเกิดมัตามน่ตามนี่มันก็เป็นมู่นนิทีอยู่ล้เด้วะ่านมุ่นนิทีนี่ยผมว่มันจะเปหาไปแพร่ซ่องเขียวเขาได้แล้วท่นแต่แพร่เขามาเป็นเป็นมู่นนิทีมงลูกขามันบบฮิดก็ว่านัรรมละตัวแพรเขามาตั้งมู่นนิทีมงลูกขามันโบฮิดกับวัฒนธระมละละกิจจานแ่งเงินเนี่ยจำนวนที่ใส่ได้คือดอกผลรมคาเัินต้นนะเขาออกมากเท่าไดรจับได้จากไหเขาออกเท่าไดร พอระ<ม>เบียบพร้อมสุขสันติบาลเขา อ, ออกมามีเงืนไม่ได้ใส่ไม่ไม่ได้เฮ็ดเชื่อนม่นกระเทีมประโยชน์เียังก็เอามาใส่กับพระพุทธศาสนาือตัวมันกังซิเม็นพอกมากินซอวมาใส่กับพระพุทธศาสนามันจัซสิเม็นใส่แต่ดอกดนะขาเบีย้ยอะไยใส่แล้้าหากว่ามุ่งทิศอยู่ในวงจำกัดอีกอต้องเสียภาษีกันไงเงิน เฉพาะภาษีแต่พนปยู่ในวงจากัดคือว่ามูลนิธิทั่วไปในพระราชด่านจักรไทยยกเว้นภาษีอ๋อสมมุติวัดพุทธกอห้างเอ้าวัดพุทธกอห้างมัพระใหเนี่เงื่นชนีตัวเกี้ยวใส่ต e um ักี้ยวน้ำขาหลวงตัเกี้ยวนําในอำเภอตักี้ยวในคณะอาเภอพระอาเภอเนี่ยแม่นบอยู่ตางยุตยุางวัดคน้บ้านี่แม่นบอกให้ วันนี้ก็ไม่เก s t i f y ไ ม, ะะม่ไล้ก็มากัดจะมาเฮาโอ้โหอยู่นี่เนี่ยเงิน่าสานะพ <c oughs> อโเรว่ององสนี่เอาเอาแบบนี้ ก, <c oughs> ก็ปลูกขนาจะขอสี่แนวว่าทำเป็นทุนมิติจีกว่าทุนอันนี้มันหมายความถึงว่าตั้งทุนไว้ให้มันสมบูรณ์แบบตามกฎมาคือหมายถึงว่าเงินจำนวนแสนห่านี่แสนหานแล้วฝากเป็นทุนบูลนิธิ เขาอยาไปว่าเป็นเป็นมูลกได้เป็ น, น, นวัตทุนิธิแลนวเอาถือกันใบว่าสมบูร์ตาบุกกันั่งวัตถุขัน่งเงินมูฮ่อแกงคืนนั่งถือมูลค่าจำนวนนี้เป็นมูลค่าของคุณยมอรุณีเขาไว้รักษาพาะเกศพระป่วยในวัดนี้สันท่องกับหลงสันสัะบ้านกับวดลห้องบ้นกัแล่วห้ตัว้ อ, องถือบอกยังได้เอเป็นผู้ประทับ็นผู้ปรับ เ้าวจะไปล่องเนื้ออ้าวจะไปร่องเงินเขามาเป็นเงื้อเท่ามันก็บ่รเทาแล้วเอาวางซื่อเป็นเป็นผู้มหาอืมแล้วผู้ที่ซัมจายได้กับมีอย่างหน่อยก็ต้องวิพาศสามคนอืมแล้วก็มีโยมผู้ที่ลับผู้ไว้ใจสามคนละก่อนที่จะไปเส้นเงินทุนนิตยนี่ออกมาได้ต้องผ่านอย่างหน่อยต้องสองคนไม่เป็นะไรเสยแต่จ่ายรับู้มหา หลวงปู่มหากับหลวงปู่กับท่านอินวัดเฮตินสันเลยหลวงปู่มหาเฮตเองพอๆอี่ดดดได้มีบังคับได้มูลค่าจํานวนนี้เป็นมูลค่าของวดัดปลาบันตากนี่มีท่านมหาเป็นผู้รายรับรายจ่ายนี่หลวงปู่มหาเป็นผู้รายรับรายจ่าย แม่เงินเล่าสีใไซซื้อเหล้าสักเพียงไหนก็ตามพระกอในวัดขันพระกอตายขำขึ้นน่ะของทั้งหลายเป็นของสงฆ์หมดม้วนผู้ได้ฟ้องก็เป็นควาสงฆ์พระกอจะไปแก้ให้ลูกค้ารานกับว่าได้พ่ะวินัยของพระมันมีขาตัวแล้วนะบะกเขสั่นว่าของของพระราศิษขาก็ดีพระตายก็ดีสมณีก็ดีของครจวนตัวก็ดีของอะไรก็ดีก็ต้องเป็นของสงฆ์ทั้งนั้นนั่นฟ้องว่าขืน ลูกนั้นที่ว่าฟ้องเอาก็พะขื่นยกพระในวัดก็ฟ้องเอากบะบะขื่นพ่อวีน่ยมีแล้วพาะวีน่ายส่มนี้นั่นรัฐบา ล, ลร่มมาได้เพราะมันมีมาได้คำพระเจ้านั่นมันเป็นที่สัเรื่องมันรัฐบาลที่มาแตงไม่ก็มาได้วีน่ย่มนนี้พ่อวีน่ยเรื่ของพระพุทธเจ้าด้เป็นทีสัอันนี้มันมีแน่ยผูกมกดัดอยู่แล้วอันนี้อาจารย์ที่รเป็นทุนมิติอืมทึกอไรกัไรทึ่งทุนนิติก็หมายถึงว่า เงินเงินทุนเพื่อเพื่อใช่ใจให้มันสมบูรณ์ตามก้นหมายอันเห่านี่นะมันไม่มีเงื่อนไขสิยางว่าท่นเมันก็เอาตามความผสมของรัทถาเขาใช่แล้วมันก็มันเรื่องเขาไปพริกนี้การัตถาเขาที่มันวุ่นอยู่เดียวเนี่ยเม่นมา่เาออกมัองสิซัตถเขาบอนตายกต่ัตถาเขาตายโดยของมนบอกซัตถาเขายังอยู่เขาแนบของเขาอยู่เสียดเป็นท่ามัรู้บ่เสีดเป็นท่ามันเขาก็แนบของเขาอยู่ตาาก็มีอยู่นี่เป็นท่นว่า เขาปฏบัติไปพลิกพิดล็อกเจ็ดก้านาของเขากขาขมยอมแล้วอืมสร้างมือมันยากสร้างปากมันง่ายแมนบอกสร้างมือผู้จีบออกมาท่าเนี่ยมันยากขณะสร้างปาเข้าจมุนไปทางอื่นมันก็ง่ายเลยมุนของเขานี้เขากโมยยอมแล้วแมนบอกนั่นนี่แต่วันมันแมนหลายไอ้บอกวันนันมันแมนนี่ยเมียมันวันมันโมแมนเจ็บไปว่าเมียเงินที่เข้าเราเยอะนี่มันเงินเข้าสามัคคีกันมัดบ้านมัดเมืองได้นี่ ถ้าบอกกันเยอะเนี่ยอันนี้สัท่าของเขามียืจังสั่นแล้วถ้าจะไปมองเขาหนีมันกับวัตถุเขาวางสั้นเขาเนี่ยออ ข, อ ง, ข อ, งองเขาโยกเรามีเจตนนอืมไม่เป็นไรแค่น่ามันก็ต้องเอาตามซัท่าขเขาอันนถูกบอเขาบอกว่าสิอืม่ึมอปอยารไม่ต้องไปตั้งเลยรนะไม่ต้องไปตั้งอะไรตั้งตามความประสงค์งงของเขาเลยหกอดจะตั้งมาตั้งได้เราต้องถามว่าผู้ประทับเนี่ยเขามี เจตนาอย่างไรเจตนถ้าเขาเจตนาว่าอยากจะเอาคุณรัฐนี่เพืพออ่อเดี๋ยวนี้ เ, <ร>ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรารู้จักชัดแล้วบอกว่าเขามาคัดค้านแล้วเดี๋ยวนี้เขามาคัดค้านหน้าดําหน้าแดงแล้วเดี๋ยวเนะี้เขาบอกว่าเอาของเราไปทําไมเว่า อ, อย่างนี้อื่ไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงเขาเนี่ยมันถึงเขาแล้วเนี่ยเขาคัดค้านแล้วเนะี่ยแต่ว่าเราจะเอามาพูดทําไมเมื่อเขาคัดค้านแล้ว ก็ทาตามของเขาก็โอนของเขาคืนมาแล้วก็หมดเรื่องมันก็มีวิธีทาเท่านั้นคือพอแผลเป็นว่าลกภูบสบายปัจจัยก็ปฎิเสธทาทาเลือกกับปฎิจาย่ายากับปฎิจายทานยังปฎิจัยยังจัด ก, การได้ท่านี้มันตายเป็เี่ ย, ยนตัวลกภูประพาเมือานี้ตายก่เปลีป่ยนว่าไงนั่ น, <laughs> น, นแต่คนว่ายอยากตั้งเป็นมุน่งวิธีใหเป็น ใน้ามลูก้สั่มันกับแม่น่แหละเขาบอยอมเนี่แหละเขาจะว่าที่ไหนล่ะฮะนี่เขาบอยอมเนี่ยท่านนี่เขาบอยอมเคยานมาแล้วเขาเขาบอย่อมเจ้าของเขาบอย่อมเจ้าของเขาบอย่อมยังย่อมเอาออกจากจังหวัดนี่เจ้าของเขาฝากไว้จังหวัดนี่เขาดูยจังหวัดมุกไปตายังไรเอ็ดผลว่าสั่เาวาอ่มันแม่พวกเขาที่พิกแพงไปให้งังเขาวาน่พวกนี้มันต้องมีเลยมีเลียมขาวงี่มันก็บแม่พวกเขาที่ฮะนี่ แม่นบอกบ่เนี่มันเจ้าของเขามีท่าในห้องกระแตงตามเจ้าของขอห้องทมาใส่ห้องคิดพื่บ่ายยังอืมห้อวางสัตว์ห้องหายมอเห็ดแผดอยู่มันมาใส่้องคิดยังไงเจ้าของเขาไม่สถาทยั์นั่นเห็นห้อ่าออกห้องคิดเห็นยัง่าสัตวเจ้าของเขาออกห้อคิดห้องแห้งแล้วะอืมขนาดห้าไปที่บ่าที่เมืองที่พี่ที่ร่อง นเงี้ได้ป๋อห้องอยู่ในห้อมน้ำหันมีเล้ามีสิดที่คัดกานในของแมนอ่ะนนเงินเขาตกโตเน่เขามีประสงค์ในการเห็นให้เขาสวนตัวว่าอย่า้องระวางสิเขามีประสงค์สางซาล่าเนี่ยเขาออไปค้นยืมเอาดอกเบี้ยกู้คดเัีผิดเขาเม่ง้นว่าอะไรว่าสนีก็พ่อหรอกเาสองกครับผมฟังมานานเลยนะคือผมว่าวัตู้ประสงค์ของผู้ ผู้บริจาคไม่ต้องการที่จะรักษาทำใสูญทุกข์จุกนะฮะถูกแล้วก็ไม่ต้องการจะตั้งมูลนิธิหรือทุนนิธิใดๆทั้งสิ้นนะฮะเขาแกกมาแล้วตกันเองเจตนานผให้เป็นยังไงควรจะทาตามเจตนานผูถูกแล้วตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยจะมีขั้นตอนมากมายเลยนะฮะคือคือั้งผมก็รู้จักเรื่องมูลนิธิดีพอต้องตวสนเรื่องทูนนิธิก็ตามนะฮะแล้วทุนนิธิเป็นสิ่งที่เรา ทำขึ้นเองกำหนดขึเองแล้วกำหนดตัวบุคคลที่เองที่ผู้กัดธนาการประโรมประธนาคารเองเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันไม่จําเป็นนะครับที่ว่าเราต้องไป ท, ทําในขนาดนั้นถ้าเบอรเราเห็นสมควรเราก็บอกว่าเราจะเบิกจ่ายใช้คนกี่คนเนี่ยฮะมันก็เข้าผา น, <อ>น ท, ที่อยู่แล้วเราไม่ได้คุนทีที่มันก็เป็นคุณทีที่เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเบิรทํายังไงผู้เจตนาเดินทำไงนะครับผมว่าตามเจตนาเดินอย่างหลวงปู่กาวนผมว่าเห็นสมควรยิ่งเลยเด่นสควรยิ่งไปเท่านั้นแหละครับผมว่า แล้วทำฝืนเจตนาของของเขาทาไมเงินไม่มีพอสีบล้านจะมีน้อยมีมากปเป็นเรื่องของเขาเพราะเขาศรัทธาคนเดียวเราจะไปแต่งคนอื่นให้มาถูกกบกิเลสของเรามันก็ไม่ถูกเพราะเงินของเขาถูกไหมเราจะไปปั่นคนอื่นให้มาถูกกบกิเลสของเรามันก็ไม่ถูกเพราะเงินของเขาเขาก็ยังไม่ตาย เขาก็ยังมีชีวิตอยู่มีน้ำซ้ำบ้านของเขาก็มีอยู่บ้านพักเขาอยู่นี่เขาก็เห็นสุขควรฝากไว้ที่มุกเขาจึงให้ฝากไว้ที่มุกเพราะเขาเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เดือนหนึ่งสองเดือนเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาเขาก็บอกว่าทาบ้านพักอยู่ที่มุกบ้างทำอยู่ที่อุบลบ้างถ้าจะมาจากกรุงเทพ ต, ตะลุ่ยมาคราวเดียวมันก็เหนื่อยมากจึงจะมาถึงที่พักเขาบอกไว้เนี่ยเมื่อเวลาเรามาพักที่มุกหรือที่อุบลแล้วเราอยากจะมาทำบุญกับพระฝ่ายปฏิบัติ แต่พวกนี้ไปที่ไหนเราก็ได้สะดวกเหตุฉะ น, นั้นเราก็ทําว่้เชียงให ม, แหหให ม, ม่แห่งหนึ่งทําไว้สมุดประการแห่งหนึ่งกรุงเทพแห่งหนึ่งเพ่าที่นี่แห่งหนึ่งเพื่อไปเพื่อมาสะดวกในการ ท, ทํากุศลทุบุญของเรานเอ ง, เอ ง, เองไม่ได้วางเพื่ออันอื่นพขวางสอิอันนี้เท่าเลยรักแพทยนะ์ไปว่างแผนเฮดมันไม่ได้ให้ม่นุ่งจะของเมื่อใดเรียกนะ่ะคู่ปกตั้งแยกแท่หัวจะของคูแล้วก็ไป ไปเขกห ม, ม้ามุ่ยใส่หัวจะของมือจักมะบอกตามนี้อะไรพวกนี้พวกจักเลี่มามุยมาม่ยม้ามุ้ยม้ามุ้ยแล้วไปเอาม้ามุ้ยใส่จะของอืทําตามจะของเดิมเขาซะอื ม, มันจะถูกแล้วคนเงินมีเท่านั้นนะล้วไอ้หลอปู่ศรีหลวงปู่ศรีมีทั้งสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านท่านไม่ไม่ลำบากนี่น เ, นเรามีเงินสองสาบาทคนอื่นให้ ดังไปทั่วทุกคนต้องเฮงละอายจะพูดมากแล้วพูดอะไรนี่ <c oughs> แม่นมาหน้ปนห า, า, าปา น, น, นี่ไหง่ายสะได้หลอหน้าปานี่เนี่ยคันว่าเหรอไอนี่เลจะไห้ได้วยอหน่องชั้นแน ว, วข่าวว่าแม่นมาผูดใส โตองค์วิสัยกระเพวะกระเมียกรย่างยั่วดีเนี่ผู้ศึกษาแนมนำเหมือนยังมีอยู่คนหนึ่งอยู่นี่มันถูดคําว่าอันมันถือเข้าอะไรมันทางพิษคัต้าเขาสิว่าอย่าอือสําหรับพระนี่มันมองเป็นเสียงในเสียงออกนี่มันต้องสังเกตบางคัต้าเขาเช่นคัท้าเขาบอกว่าเงินจํานวนนี้จะมาถวายเพื่อค่าน้ํามัน หรือค่าไฟฟ้าหรือค้าอาหารเน่ยเอาเขาไปเห็ดแนี่ยอื่นมันกับพิษผทมของเขามันกับบาปตายเข า, าวางซิเขาว่าสั่งซาราก็ต้องสั่งให้เขาเพาะฉันเพราะาร่าเพราะฉนแล้วสั่งคณะกรราร า, าราแล้วแล้วก็ต้องบอกเขาสานาแล้วแเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเกี่ยวข้องเออถ้าซาราแล้วประตามจะฝากไว้เป็นจะถวายเป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาสันทังบอกต้องพระลาบเอาเ่อมันซาร่าหลังนี้แล้วเราก็จะขายกินอยู่ซ้ำนั้นมันก็บวัตถเขาว่า ไม่รู้าอะไอืมอันนี้มันก็ใกล้สิ้นแล้วแล้วนี่ใช้เงินว่าถูกล็อกใช้เงินมันถูกล็อกเพิ่งเตือนเยอะยู่เลยเตือนระยะไว้ ก, ก่อนระวังให้ดีนะระวังให้ดีน ะ, ด น, ะด น, ะดนะไฟนะไฟนะเดือดมาถ้าทําให้ถูกคนไฟนะคนก็บอกเรืออยู่เลยจะฟ้องคน ขนพูดนีเป็นคนสัตว์นซือ้อเนนพูดนี่มันมันข้นจีนหาจีนเสียบข้นน่ยุิสมมติปากานสมมติปากานหาแม่ขาไม่สิใจเงินแล้วายเงิ น, เ, งนเดือนละเมืน่นเดือนละเมินหายาพระหาพระคาอาหารพระหน้ามันก็สลดัดง้าง ผูรับเงินร่อวันหนึ่งวันหนึ่งซื้ออะไรซื้ออะไรราคาเท่าไรเท่าไรกิโลราคาเท่าไรมูงค่าวันหนึ่งวันหนึ่งทีนี่พอออกคดษาแล้วมันก็ยังเหลือเงินอยู่เรลือเงินอยู่หลายพันประมาณห้าพันบาทเหลือเงินอยู่ 100, 000, 5, ท, นทีนี้่แกเขาทาเงินจํานวนมานเหลือ เราบัญชีประจวันแกก็ทำให้ดีก้มกันก้มกันลอยกับวันใช้จ่ายกับพี่เงินเหลือน่ะเออถ้าทาละเอียดและอถึงขนาดนี้สซื้อถึงขนาดนี้แล้วเราก็ชอบจริงๆเราจะให้เงินพิเศษสองแสนบาทไม่ให้เอาไปเป็นของสองให้เป็นของส่วนตัวแล่นเช้าคุณสองแสนบาทคุนคุนคุณคุนี่มักคนซื้อเลย มุ ม, มักคนสำรับสีดีเลยจับซื้อแล้วก็พยายาคันในคดคันในเห็นเนาะอือบาดยาสนันว่าไก่แหละคนผมแม่นี่นิสัสไปในคั น, น <c oughs> ที่มาทำคำล้งปูนี่ที่มาอาสาทำสองปีสามปีนี่ <c oughs> ก็ไม่ใช่อื่นใครเลย เล็อบปูไม่ได้เอ่ยขออะไรของลูกหลานเลยไม่ได้เอ่ยขออะไรในทางตรงในทางอ้อมทางลึกในทางตื้นล็อปูก็อยู่ตามภาษาของลง็อปูไม่ได้เอ่ยไม่ได้ไประจบไปแจงในเรื่องเงินเงินเลยทีนี้เมื่อซัดซื่ออย่างนี้แล้วดิฉันก็อ่านออกดิฉันก็สั ง, สงเวชดิฉันก็เลยมาทําให้แต่นี่ต่อไปก็จะ สวายเป็นลูกล้อปูถึงจะแก่ก็ตามสวายเป็นลูกล้อปูทั้งสองคนนี่เองล้อปูคัดฟ้องอะไรเขาขอให้บอกมาเออล้อปูไม่ได้นึกนะฝันว่านชาติล้อปูชาต น, นี่น่ะมันจะเป็นถึงขนาดนี้ล้อปูก็นึกว่าวาสนาของเราอย่างมากเขาต้องมีกุฏิสองสามหลังพ้าพิษสูสองอับสามองค์จนตลาดวันตาย อันนี้มันเหนือไปแล้วเนื้อวาสนาหลวงปู่ไปแล้วหลวงปู่ไม่ได้ขออะไรละหลวงปู่ไม่เคยขอใครในโลกทางปวงเลยนับแก่ปฏิบัติมาเนี่ยเขาให้ก็เอาเขาไม่ให้ก็ไม่เอาแม่เขาวาวนาแล้วหลวงปู่ก็ไม่ขอนิสัยของหลวงปู่เป็นอย่างนั้นเรื่องเขาปภาวนาเป็นเรื่องของเขาเรื่องเราจะควรขอหรือไม่ขอเป็นเรื่องของเราอีกมันเป็นคนละเรื่องนี่หลวงปู่ไม่ได้ขอกับใครเลยเขาภาวนาไว้ที่อำเภอวานน